สมัยอดีตยอย่างพระสารีบุตรเนี่ยนะไวยเทศนี่เป็นนักเทศมือที่ว่าพระสารีบุตรจะต้องเรียกว่าไงนะถ้าเป็นสมนัยนี้ไม่มีใครเทียบได้สมัยนี้เป็นนักเทศที่พร้อมไปด้วยปฏิภาณเสียงความสามารถทางปัญญฉนะอัคระชัดเจนพระสารีบุตรแล้วต่อปัญหานี่เก่งที่สุด เมื่อเทศไปแล้วใครมาเลื่อมใสถ้าเป็นคนดังๆนะท่านจะบอกเลยให้ไปวัดประเชิตะวันมีนางปริปาชิกาเรียชัมพุ ก, กาเคยได้ยินไมรูปศิธิ์ของสนชัยปริภาชกอยู่ในสำนักเนี่ยอันดับหนึ่งเลย สำนักกองสันใจนะเขาจะมีตั้งปัญหาถามตอบจบอจบปัญหาเป็นพันพันคำถามถามมาตอบได้ถามมาตอบได้ไปไหนก็จะถือกิ่งว่าพอไปถึงนั่งตรงไหนก็ปักเสียบไว้ใครไปกข้าไปก้าใกล้นะไอ้กิ่งว่าที่นั่งแชมพูกาแกปักไว้เนี่ยเพราะใครไปโดนเมื่อใดนะเมื่อนั้นคนนั้นเท่ากับรับคําท้าที่จะถามตอบปัญหากะแก ท่านคนเดินผ่านเห็นกิงว่าที่ปักอยู่น่ะไม่มีใครกล้าไปแตะเพราแพ้กันหมดอ่ะนี่พระสารีบุตรออกไปบินตา บ, บาทวันนั้นเขานั่งเห็นกิงว่าก็รู้แนะเพราะพระสารีบุตรึงเรียกเด็กๆมามานันนี่ไปดึงกิ่งว่านี่นดเด็กไม่กล้าดึงไงเ <laughs> พราะผู้ใหญ่ก็ห้ามห้ามแตะห้ามแตะนะครูเหมือนรเราครูเด็กก็กลัวผีเดี๋ยมันจะเข้าไปหน้าผีดุนะ อยาเข้าไปหน้าในนั่นเสือนะเนี่ยกูเด็กไว้เด็กก็เลยกลัวนี่อย่ไปโดนนะอย่าไปโดนนะดเด็กก็กลัวพระสารีบุตรใจเด็กไปถอนเด็กไม่กล้าสารีบุตรเอาไปเถอะแต่ใครมาว่าอะไรแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยหลงตาเนี่ยเโดนถอนเด็กมันก็ถอนถือเส้นิ้งให้ห <c oughs> ด้วยความกลัวขนาดนั้นพอทิ้งเสร็จแล้วไอ้นางจำพูกาเห็นมาถึงเงี้ยจริงว่าโอ้ยใครบางอาจเนอะ ถึงเจอพระทาริบุตรก้าอาสมณะถอนกิงว่าหรือบอกใช่อรู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้ น, นเพราะว่าคนที่ถอนกิงว่านี่เท่ากับท้ารับคำท้าจากข้าพเจ้าที่จะต้องตอบปัญหาและถามตอบกันพระทาริบุตรบอกว่ารู้แล้วรู้ไหมแพ้และอะไรจะเกิด ถ้าใครแพ้นี่คนนั้นจะต้องยอมมาเป็นสาวกของคนใจแต่ถ้าเขาแพ้ผู้หญิงคนนี้แพ้นะถ้าผู้นั้นเป็นบุรุษชัมพุกาจะต้องไปเป็นบาทจริกาเขามีภรรยาลงมืแล้วเธอก็จะต้องไปเป็นภรรยาอีกคนของคนนั้นแต่ถ้าผู้นั้นเป็นสมณนะเป็นนักบวชชัมพุก า, กาก็จะต้องไปเป็นสาวกปฏิบัติ ตามผู้นั้นแต่ถ้าผู้ที่มาต่อแฝ้เนี่ยผู้ชายก็จะต้องเข้าไปบวช น, นะเป็นสาวกของสนใจหมดอะ่ะกันได้สนใจกันได้เยอะมากได้มาจากสาวกจากพวกเนี้ยเสร็จแล้วไปตึงตั้งคําถามคําตอบกันถามกันถามถา ม, มาถ้าอะไรพระาษารีบุตรตอบแฝงหมดอะ่ะเพราะ อ, อะไรรู้ปะเพราะ อ, อะไรภาษารีบุตรตึงตอบได้เพราะ ปราทบุตก็คือสีเกของสำนักสนชัยที่เรียนจบความรู้ของอาจารย์แล้วอาจารย์อาจารย์ะยกสำนักให้แล้วก็เห็นว่าของอาจารย์เนี่ยมันยังไม่ใช่ถึงได้ออกจากอาจารย์ไปเจอกับพระอาตชิประสาิบุตรตอบได้หมดชัมพูกาก็เลยถามคำถามสุดท้ายเป็นคำถามเด็ด อ่าท่านโลกนี้ตั้งแต่มีโลกนี้จนถึงวันนี้โลกนี้มีอายุกี่ปีแล้วประารายาที่พูตอบทันทีโดยไม่ต้องคิดเลยนะตอบทันทีแล้วดูก่อนน้องหญิงเธอนับก่อนเกิดโลกนี้สองปีนะนับมาจนถึงวันนี้ได้กี่ปีแล้วเอาสองไปลบนั่นนะเท่ากับอายุของโลก ตอบแบบแบบไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยอะตอบทันทีอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิพานปฏิสัมพิธาเป็นองค์คุณสมบัติของพระอรหันต์ผู้มีปัญญาปฏิพานปฏิสัมพิทาไม่้อถามว่าโลกนี้ตั้งแต่เกิดโลกมาจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วท่านอ๋อน้องหญิงนับสิก่อนเกิดโลกนี้สองปีนับมาจนถึงวันนี้ได้กี่ปีแล้วสองไปลบที่เหลือคืออายุของโลกนะ ทันทีเลยนางจำพุกายอมเลยทีนี้พอยอมทีนี้ถึงเวลาที่พระสารีบุตรจะถามมัง้งพระสารีบุตรถ า, ถ, าถามเธอตอบไม่ได้เพราะมันเรื่องราวของมรรคของผลเธอจะตอบได้ยังไงแต่เมื่อพระสารีบุตรแก้ปัญหาของเธอได้หมดแล้วเนี่ยเธอต้องมาเป็นข้าบาาัตรปาจิกาพระสารีบุตรบอกเอ่อใ น, นพระสารีบุตรเป็นธรรณะเธอก็จะยอมบวช เป็นผู้รับใช้ในสมัยนั้นถึงมีการบวชพิจูนีกันด้วยประสจาริบุตรไม่รับนี่คือคือพระเถระที่ที่มีความเที่ยงตรงต่อต่อพระศาสนาเพราะว่าก็เป็นคนมีชื่อเสียงก็โด่งดังมากชั่วคกาเนี่ประสจาริบุตรเลยบอกว่ากันถือไปหา พระสมุทรพระพุทธเจ้านะเธอต้องไปบวชที่นั่นต้องไปหาพระพุทธเจ้าพระบอกว่าท่านแล้วหลายรูปแล้วเอิน้นพระเทราชในสมัยนั้นบอกว่าท่านข้าแต่ท่านพูดเจริญข้าพเจ้าแต่ก่อนนั้นได้ถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นที่ทึ่งที่พึง่งแต่มาบัดนี้ข้าพเจ้าขอละจากสิ่งนั้นขอถึงท่านเป็นที่พึง่งเถิดเจ้าข้าพระในสมัยนั้นไม่รับเลย ออกบุกอ่โยมจงไปถึงพระาศาสดาสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นกับสมัยนี้ก็ยังต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ยังต้องเป็นอย่างนั้นอยู่จะติดไม่ได้นะแล้วก็ปฏิบัติหลากหลายอย่าไปตะกิตะขวงใจ เดี๋ยวไปเคลื่อนไหวเดี๋ยวไปพองหนอยยุบหนอเดี๋ยวไปโน่นไปนี่พอมาถึงอานาปาแล้วในที่นี่แล้วเ็าต้องแอบบแอบบลบลบทนทนไม่ต้องลบธ่รมาน่ไม่ไม่ขวางกันใครหรือมาอาณาปาอานาติในขณะที่นั่งรู้ลงหมายใจอยู่จะไปปฏิบัติที่ไหนไปเลยขอให้ทำเถอะ <c oughs> ทำเพื่อการขัดเกลว์ทำเพื่อการเจริญสติ ทำเพื่อการเป็นที่ตั้งแห่งแห่งธรรมนี่ทําไปเถอะที่ไหนก็ได้ในองว่ามาที่นั่นที่นี่เป็นเป็นที่นั่นแล้วต้องไปที่อื่นไม่ได้อะอย่างนั้นนผิดอะไรก็ตามที่เข้าได้กับอริยสัจไม่ขัดต่อมกักมีองค์แปดทำเลยไปเลยที่ไหนก็ได้ไม่เหมือนกัน แต่ถ้าว่ามันขัดกับมรรคมีองแปดขัดกับเส้นทางของการเจริญสติขัดกับสติรับสานสี่เป็นคาสอนที่ดูว่าเหมือนแต่ไม่ถึงอะ่ะพวกนี้มีเยอะเหมือนแต่ไม่ถึงก็ใจว่าเดินไปแถวสนามหลวงไปเจอกระดาษ สองสามแผ่นที่เขียนหลักของรัฐศาสตร์อ่านฟับเข้าใจไม่ปฏิญญาณตนเป็นนายกทันทีเลยไอเนี่ยไอพวกบูเหมือนแต่เข้าไม่ถึงแล้วมาตั้งตัวเป็นอาจารย์มีเยอะนนะเหมือนนะเหมือนแต่เข้าไม่ถึงดูว่าคมแต่แทงก็ไม่ได้หั่นก็ไม่ได้เฉือนก็ไม่ได้แต่ว่าถ้า เข้าได้กับอริยสัจไม่ขัดกับสติปัะญานเป็นที่ตั้งของสติปัญญาเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นไปเลยดีใจถึงโบทนาทั้งนั้นจะเกิดขึ้นเยอะๆอ่ะดีมันเหนื่อยนะนะ <c oughs> เหนื่อย ทีองเป็นวันวันคืนคืนวันร้องคืนเหนื่อยแต่ได้ทำแล้วมันก็มีประโยชน์เป็นประโยชน์แต่ทำกันเยอะๆดีท่านไม่ต้องมาตะกี้ตะขวงใจเวลามาเนี่ยเต็มที่เลยแล้วก็ไม่โจมตีกันแล้วกันพระพุทธเจ้าให้อุปวสตปฏิบกตท่อนที่สาม อนุ่าว่าโดนอนุ่าว่าอยว่าร้ายกันอยู่กันเนี่ยอย่าว่าร้ายกันนี่หลักการเลยนะอย่าว่าร้ายกันอย่าล้างผลาญกันอยู่ในเมืองเห็นหลวงตาแก๋ๆเดินกวาดขยะอยู่ในวัดอย่าไปชื่อหมิ่นเขาเถอะนะมันชวยกันมาเยอะต่อเยอะแล้ว เห็นหลวงตาแล้วทำไมก็อันมาคือมีประสบการเรื่องเนี้ยเอหลวงพ่อที่วัดที่ตายก็ท่านชื่อหลวงพ่อคราวแต่ไกรก็เรียกผมเลยคือเมื่อท่านมีกรคาคติประจําตัวว่าไม่รู้ไม่ชี้ดีนะักรู้จักใชจรู้อะไรแล้วทิ้งนั่งนิ่งเฉยไม่ก่อเรื่องเครื่องทุบฉุกเบินใครไม่เคยลองดูก็รู้ดีเดี๋ยวท่านมีวิธีสอนแปลกๆเราเป็นพระวัยรุ่นหนุมน่มๆใหม่ๆบวชเสร็จแล้ <laughs> ไปนั่งที่หน้าปุติท่านนะเวลาคุยกันแล้วมันคือถ้าถ้านนั่งคุยกันเนี่ยแป๊บเดียวจิตหลุดออกเนาะเรื่องที่นํามาคุยนั้นเป็นสวนเสกเฮงาหัวร้องกันธนุธนาเนะี่การมาวิตกทั้งนั้นแหละท่านเดินออกมาถึงอย่า <c oughs> ดังอย่าดังทําไมเพราะแมงสาบมันเพิ่งนอนมันเพิ่งนอนเดี๋ยวมันตื่นสงสารมันฉั <c oughs> <c oughs> นว่า ทานวาที่ห้องท่านมีแมลงสาบอยู่สองตัวกลางคืนไม่ได้นอนทิ้งแล้วมันจะนอนกลางวันพอคุยเสียงดังสงสารมันสงสารแมลงสาบมันเพิ่งนอนให้มันได้หลับเดี๋ยวมันจะตื่นเงียบกันหมดแนละ้ย <laughs> สอนส่านสอนของท่านนะพระก็งเงียบกันดีแค่เอาโยอะสอนแบบบวัวไม่ช้ำน้าไม่ขุนน่ะอ่าในนี้คนก็ว่า พ่อหลวงไทหรือพ่อหลวงกล้าวนี่บวชมาตั้งนั้นไม่รู้อะไรเลยจนในสมัยเด็กๆสนัยก็เคยได้ยินนะสองสามชาวบ้านบางทีบางคนไม่เข้าใจไปพูดเพราะเราเข้าไปบวชเสร็จเห็นเขาว่าพ่อหลวงไทวันๆไม่ทําอะไรเก็บแต่ดอกพิุณเช้าขึ้นมาก็เห็นท่านไปนั่งเก็บดอกพิุณมันร่วงลงมาจากต้นนะท่านเอาไม้กวาดกวาดกวาดกวาดกวาดกวาดกวาดกวาดกวาดกวาดกวาดแวก็ก็บเก็บเก็บเก็บเก็บก็บแล้วก็ตากแดดไว้ ไม่ก็เอาไปทํายาทำมนไพรอเราก็ไปถามหลวงพ่อมีคนเขาว่าหลวงพ่อไม่รู้อะไรวันๆเก็บแต่ดอกพิุณจริงเหรอจริงผมไม่รู้อะไรเลยไม่มีความว่รู้แต่เรื่องขาน่าอย่างเดียวนอนคาพูดของผู้รู้กคาพูดของบารดิตเห็นยวเมื่อไหรท่านว่าท่านไม่รู้อะไรเลยจริงเหมือนที่เขาว่าท่านรู้แต่เรื่องขาน่าอย่างเดียวเราการกด น้าเห็นใจชาวบ้านบางทีบางคนไม่รู้เรื่องเหมือนหลวงตาเดินกวาดขายะอยู่ในวัดในวันไม่มีชื่อเสียงโด่งดังอะเราจะไปหาหลวงปู่หลวงพอ่อเข้าไปถึงในวัดเห็นหลวงตางดเดินกวาดขยะโตกะเต๊กโต๊กเต๊กอย่าไปเที่ยวมินกัเจ้านะหรือสามเด่นเลขพระหนุ่มน้อยที่เดินอยู่นั้อย่าไปเที่ยว ม, มินมมเข ไ, ไม่ได้พระพิ้าว่าของกี่อย<ม>่างนะที่ไม่ควรรู้มินนะ่ย กูพิษไม่ควรดูหมิ่นว่าตัวเล็กใช่ป่ะพระราชาไม่ควรดูหมิ่นว่ายังทรงพระเยวอะไรกันนะพิกถุไม่ควรดูหมิ่นว่ายังหนุ่มบางทีเราพระหนุ่มห ม, มายุงได้ไ ม, ไมเวลาบินธบาตนะเดินไมบินธบาต เขาก็เตรียมของตั้งไว้เราก็นึกว่าเขาจะใส่เด้ก็ <c oughs> เดินเข้าไปหาเลยของที่เขาจะใส่บานพอเดินเราใกล้ถึงก็เดินหันหลังหันถีก็งา่ายอย่างเงี้ยเออเราก็งงโอ้เขามีพระทวนตัว <c oughs> <c oughs> มาใหม่ใม่ไม่รู้เรื่องไงมาจากต่างจังหวัดใหม่ใมายุงเทพใหม่ใหม่เพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเราเดินไปเป็นเทาบารนะก็ก็ใส่กันหมดอะ่ะแต่ว่าพอมาถึงอยูง่งเทพ เดินกัไปถึงอพอเรเห็นดินวางขันยืนที่ข้าที่ขันอราเราก็นึกว่าเขาจะใส่เนพอเดินกันไปถึงใกล้ถึงหันสีข้างให้ทําเป็นไม่เห็นไอเราก็นึกว่าเขาไม่เห็นหยุดรออีกหน้าด้านเน <laughs> หยุดรอด้วยความคิดว่าเขายังไม่เห็นไงเขาก็ยังไม่ยอมหันมาหันมาอีกทีอรอใส่ดวงตาอีองอ ตั้งแต่วันนั้นกลับมาถึงก็เที่ยวสอบถามเรียนรู้อ๋อรู้แล้วก้าใจแล้วใส่ไปเถอะเนนะใส่เข้าไปเถอะสมเด็จพระสังฆราชอง์นี้มาจากสามาเดนอง์เล็กๆที่ไปหาผักบุ่งจันอยู่แถวราชบุรี สมเด็จพระสังฆราชองค์กรก็มาจากสามาเด็นน้อยๆที่ขีโรคสมเด็จพระราชาคณะในปัจจุบันนี้มาจากสามาเด็นทั้งนั้นนะอะใช่ปะเออ เราก็ไม่ดูมินดูแคลนทั่วไปมันท่านจึงนิยมให้คนทําสังฆทานทําสังฆทานเลยมันได้บุญมากแต่วางใจอย่างไรให้เป็นสังฆทานเนือไปเจอเอาถวายพระรูปเดียวเป็นสังฆทานไนะหมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องสีเอาได้มาสีแล้วจะเป็นสังฆทานเปะละ่าถ้าของพระพุทธเจ้าว่าแค่พระสีรูปปับ๊บเป็นสังฆทานแล้ว โอยดียกดีใจวิมานเมืองแก้วรอยอยู่แล้วเทวดาจดลงบันทึกบัญชีทองแล้วแค่นั้นน่ะอย่างนี้พระเจ้าไม่ฉลาดเท่าไหร่หรอกทำยังไงให้มันเป็นสังฆทานมันอยู่ที่จิตของเราที่มีท่าทีต่อทานของตอนอย่างไรถ้าจิตของเรามีท่าทีต่อทานของเราเป็นบุคคลมันก็เป็นบุคคล น, นั่นแหละ ถ้าจิตของเรามีท่าทีต่อทานของเราแบบเป็นสังฆทานมันก็จะเป็นสังฆทานมันขึ้นอยู่ที่จิตเรามีท่าทีต่อทานของตนอย่างไรไปต่อวายสังฆานวนะ่าพระนั่งรับรูปเดียวเป็นไหมก็จะมีคนมาเถียงกันเป็นทานเป็นสังฆทานได้ไงก็พระองค์เดียวเราไม่ได้จ่อจงพระองค์นี้นะพระองค์นี้แค่เป็น ผู้รับให้เฉยๆแต่จิตเรามีท่าทีต่อทานของเราเพื่อสาธารณะต่อสงฆ์ทั้งปวงเพื่อความดำรงยั่งยืนของพระพุทธศาสนาด้วยการเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องใหญ่เป็นสิ่งสำคัญต้องการให้พระพุทธศาสนาดำรงยั่งยืนอยู่กับโลกใบนี้นานๆแล้วก็เห็นว่าพระสงฆ์นั้นเป็นผู้ที่จะสืบทอดทรงพระศ า, าสนาให้ยั่งยืนอยู่ วัตถานของเราที่่ห้ไปเนี่ยเป็นสาธารณต่อสงฆ์ทั้งปวงเปิดใจให้มันกว้างยิ่งใหญ่อย่างนั้นมันถึงจะเป็นสังฆทานนะถ้าเป็นอย่งงนนงางนั้นก็เป็นสังฆทานลองคิดดูดิใช่ไหม mm hmm. บางคนไปถึงตมต้องการพระทีรูปแต่ว่าไอ้พระไปวิ่งหาพระกันมาในวัดไม่มีเหลือแต่นเนรเอาเดนมารูปนึง ตอนแรกไม่รู้ไม่เป็นไรนะโอ้ยได้แล้วสี่รูปโอ้ยเป็นบุญเป็นกุศลประเกินได้ทําต่างฆทานเด็กกล่าวเสร็จพอถาวายเสร็จตรวน้ําเสร็จฉันเอ้อีกองหนึงไม่มีสังกัติอีกองหนึ่งมีสังกัดีองนี้ทําไมไม่มีสังกัดไม่พลาดอ่ะไม่มีเหลเยเจ้าคะอวาวนี่เป็นเนีนอ้าวเนีนก็ถดเด้งว่า ไ, ได้พระสามมาสิไปมัวหมองเอาที่หลัง <c oughs> <c oughs> ไม่มัวหมองเอาที่หลังอย่างนี้ก็เรียกว่าอะไร ท่าทีของใจที่มีต่อทานเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแหละเข้าใจเปะละ่าล่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะดูหมิ่นดูแคลนไม่ได้แต่ว่าของเราใจเราต้องตั้งตรงไว้ที่พระพุทธเจ้าตั้งที่พระธรรมตั้งไว้ที่พระสงฆ์ต้อป่วนรัตนะสามให้เป็นแก้วอันยิ่งใหญ่ไว้ พระพุทธเจ้าถึงย้ำของท่านว่าพะหุ่งเวสรนังยันติ บ, บัตตานิวนานิจะว่ามนุษย์เป็นนั้นมากเมื่อก่อนเนี่ยอารามมารุกเจตยานิมนุษาพยาตัชิตาเมื่อถูกมรณะภัยคือ ถ, ถูกภัยถูกความตายเข้ามาคุกคามเนี่ยถูกถูกภัยเข้ามาคุกคาม เ, เกิดความกลัวแล้วก็วิ่งหาที่พึ่ง เป็นจำนวนมากเลยนะหาที่พึ่งอะไรบ้างอามาหเวสรนังยันติเข้าหาสาระนะสิ่งที่เป็นที่พึ่งปะปะตานิวนานจะต้นไม้ไอ้ภูเขาปะปะเนี่ยปะปะตาปะปะตเเ ะ, เ ะ, ะเนี่ยแปลว่าภ <laughs> ูเขาวนาเนี่ยป่าภูเขาป่าอารามมารุกะเจตยานาณิพวกอารามต่างๆ ต, ต้นไม้ใหญ่ใหญ่ <laughs> นั่นนะ่ะ คน ง, งานกันเยอะจอมปลวกมาบ้านเรานี่เยอะกว่าอีกนะบ้านเรานี่ยิ่งเยอะกว่าทางต้นฉบับเดิมที่อินเดียที่ชุมพูทวิมนะบ้านเราจอมปลวกแล้วใครไปเที่ยวทำอะไรออกมาแผงๆเน่โดยเฉพาะการตัดต่อทางพันธุกรรมที่ผิดเพี้ยนเจนวัวออกมาตามขาเ อ, อ่อ หมูจำไอ้หมูจำมูกยาวเนี้ยอันนี้การการผิดเขาเรียกว่าอะไรผิดเพี้ยนทางพันธุกรรมอะ่ะหมูจำหมูกยาวๆเนี้ยเด็กหูใหญ่ๆเหมือนหูช้างโอ้โหเออปี่กู้วยเกิดไปได้อย่างเางีโโย้ยเออกิ <laughs> <laughs> ไไดแล้วเราก็ไปเอา สิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งนั้นหมายความว่าใจเราไม่มีพระพุทธเจ้าจริงถ้าเราถึงพระพุทธเจ้าจริงเ่ยมันจะไม่หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านี้พระเจ้าสอนไว้แล้วสอนดักไว้แล้วดักทางไว้หมดนะภาุงเวสรนังยันติ บ, บัตานิวานานิจักอราหมรุกเจตยาณิมนุษาพยาตาทีตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกมรณภัยเข้าคุกคามแล้ววิ่งหาที่พึ่งด้วยสิ่งต่างๆเช่นต้นไม้ภูเขา อารามลุกเจวดีลุกเจดีทั้งหลายแหลว่าเป็นที่พึ่งเนตังโกสระังเข้มังเนตังสระมุตมะเนตังสระนากรรมะสัพพทุกขาปรมุตจติบุคคลถึงที่พึ่งนั่นแล้วนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดบุคคลถึงสิ่งนั่นเป็นที่พึ่งแล้วพ้นจากทุกข์ไม่ได้เจ้า โยจตาริอริยสัจจานิยมโยจพุทธันจะธรรมันจะสร้างคัญจะสระนังกตาผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นศรณะนะจะตาริอริยสัจจานิสมะปัญญาะปัสสติมีปัญญารู้เข้าใจในอริยสัจสีคือทุกสมุทยัยนิโรธมัตถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์จิต เมื่อถึงแล้วต้องฝักฝ่ายในทางปฏิปทาเพื่อเข้ารู้จริงตามอันรักของอริยสัจนะเอตังโกคชนังเขีมังเอตังธนมุตเตมังเอตังชนามากมะฉะบะตุขะปะมุ จ, จตินั่นน่ะเป็นที่พึ่งอันกเกษมนั่นน่ะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดบุคคลถึงสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งแล้วจะพ้นจากทุกได้พระเจ้าดักโค้ยหมดแล้วสอนไว้ชัดเลย เพราะนั้นเราเป็นนักยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องใหญ่ให้มากมากไว้ถึงพระพุทธเจ้าให้ใหญ่ไว้มากมากไว้ให้ระลึกถึงให้มากๆไว้ชีวิตเราที่เคลื่อนไหวในยามว่างเนี่ยจนกระทั่งแม้กระทั่งว่าเกิดตกอกตกใจมันก็อุทานออกมาว่าพุทโธเนี่ยวิพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เวลาไอคนที่มันอุทานออกมาเวลาตกใจอะ่ะอุทาน อุทานมาเป็นอะไรไปตามฐานอุปนิสัยของตอนในจิตอ่ะแต่เรานึกพระพุทธเจ้าบ่อยๆนึกพระพุทธเจ้ามากๆนึกให้มากนึกให้มากนึกให้มากนึกให้มากจนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นใหญ่ตั้งที่ใจอยู่ในพื้นเพเดิมของจิตเลยเวลามันตกอกตกใจมันก็จะอุทานออกมาเป็นพระพุทธเจ้าไอคนที่มันปฏิบัติในแนวแบบนี้เมื่อเมื่อสองสามวันก่อนลงไปใต้พาคนไปดู ที่บนดบหลวงพ่อที่วัดท่นสร้างบนดบเพื่อที่จะบรรจุปฏิสถานสรีระสังขารของหลวงปูก่กรมนี่ว่าช่วยท่านหน่อยก็พาคนเขาไปดูไอ้คนพวกนี้มันบันก็เป็นคนปฏิบัติพอร่ำควรเหมือนกันนั่งรถไปทีนี้โมอเตอร์ไซค์มันตัดหน้าพอพอโมอเตอร์ไซค์มันตัดหน้า ไอ้คนเบรกมันก็เบรกกระทันหันนะไอ้ผู้หญิงอันตามานั่งหน้าไอ้ผู้หญิงคนที่นั่งหลังมันก็ไม่หันไปมองจีวอนนั่นทีเลยบอกมึงทําอะไรวะก็หนูกะว่าเกาะชายจีวอนคือให้ใจไม่มีอะไรอื่นเนี่ยไอ้มันระลึกอยู่แต่จีวอนหลวงพ่อนี่แต่กะกะเกาะชายจีวอนหลวงพ่อขึ้นสวรรค์ไอ้หนูมันเบรกรถกระทันหันนี่นี่ก็ตกใจ มันมันไม่มองไปข้างหน้าไม่ต่อว่าใครรีบลบมามองชายจีวอนทำอะไรเออหนุกมจะเกาะชายจีวนเนี่ยเนียคือถ้าใจมันระลึกอะไรให้มากๆมากมากมากมากัน ก, ก็จะอยู่กับสิ่งนั้นอันนี้มันวิธีการที่เราเป็นความจริงในชีวิตที่เราจะต้องปรับการปฏิบัติของเรานำสตินำมาใช้เรื่องพวกนี้เป็นหลักองค์ของธรรมะทั้งนั้น คนมีสติคนมีปัญญาจะต้องใช้วิจรารณญาณอย่างนี้ในชีวิตประจำวันของเราในเรื่องบางเรื่องไม่ต้องถามใครเมื่อมีสติแล้วเข้าใจศีลแล้วเข้าใจปัญญาแล้วเข้าใจความถูกต้องแล้วเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วบางเรื่องเนี่ยสามารถพิจรารณาแล้วก็ตัดสินใจได้เลยไม่ต้องไปเที่ยวตกอกตกใจ โดยเฉพาะในเรื่องของเจตนาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันถ้ามีความรู้สึกในใจว่ามันผิดไหมใช้สติที่มีเนี่ยพิจารณาแล้วก็ดูเจตนาของตนเองว่ามันฝากไฟในอะไรเดี๋ยวชาวขึ้นมาเนี่ยคนมีสติที่ฝึกฝนแล้วในชีวิตประจำวัน สิ่งแรกพอรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องตั้งด้วยอะไรฮะมันจะต้องตั้งไว้ยังไงตั้งไว้ด้วยความฝ่ายดีพระารีบุตรบอกอะทำที่จะเป็นอุปการะเป็นส่วนมากของเราเรียกว่าเอกธรรมโบหุกาโรกุศเลสุธรรมเบสุ อัปมาโทราะว่าทําอันเอกเลยพระทำอันเอกเล ย, ท, เเลยที่จะมีอุปการะต่อการมีชีวิตในแต่ละวันนั่นก็คือการไม่ประมาทในกุศลทั้งหลายถ้าแปลความหมายท่านๆง่ายๆก็คือความใยดีตื่นเช้าขึ้นมามันต้องกล้าพอสําหรับการที่จะฝ่อยดี ทั้งบุคคลทั้งความรู้สึกทั้งความทั้งบุคคลทั้งบุคคลทั้งสถานที่ทั้งสถานการณ์ทั้งความรู้สึกของตนต้องกล้าพอสําหรับการที่จะฝ่อยดีในกุศลระดับเวลามันเกิดอะไรขึ้นปั๊บเนี่ยเรารู้ทันทีด้วย ใ, ใจก็เราที่มีส ต, ติไงว่ามันอะไรดีแล้วก็ฝ่อยฝ่อยในดีนั้นฝ่อยในดีนั้นหรือจะพูดด้วยความหมายอีกทีคือว่าให้มาจิตมันตื่นขึ้นมาสําหรับที่จะมีฉันทะคือข้าวหา ควาดีทั้งพวงได้แล้วมันยั่วเยี่ไปหมดแย่ไปหมดพอจิตมันตั้งอย่างนี้มีสติฝึกมาเพื่อการอย่างนี้มันก็จะเป็นอุปการะอุปการะต่ออะไรอุปการะต่อจิตที่เป็นกุศลของตนพอมาปฏิบัติจเจริญจิตตภาวนามันก็จะยิ่งอุปการะต่อการที่ให้เป็นที่ตั้งของกุศล ให้เป็นที่ละของอคูสนอคูศูสนใดที่มีอยู่แล้วก็ยิ่งเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเนีย่ยมันองต้องกล้าพอที่จะทำอย่างเงี้ยและเรื่องราวอย่างนี้มันต้องอาศัยการกระทาอาศัยการปฏิบัติในชีวิตประจำวันพระเจ้าเรียกว่ามะนฑริการการมณฑิการพินิษย์พิจารณานี้คือการปฏิบัติธรรมของจริงเหมือนเรา รู้ลมหายใจนั่นก็ค hai, ือการมณสิการโดยแยบคายไปที่ลมหายใจนั่นะมณศิการมนในณัิการโดยแยบคายลงไปที่ลมหายใจมณสิการแยบคายลงไปที่เท้ามณสิการแยบคายลงไปที่ขันรูปเวทนาสัญญาสังขารมณสิการโดยแยบคายลงไปที่ความคิดมณสิการแยบคายลงไปที่บุคคล มนัสิการโดยแยบคายลงไปที่สถานการณ์มานัสิการแยบคายลงไปที่ความรู้สึกอารมณ์ mm hmm. เมื่อมานัสิการโดยแยบคายลงไปในที่ต่างๆอย่างนี้ mm hmm. ก็จะเห็นได้ว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไรพอเห็นความเป็นจริงเป็นอย่างไรว่ามันดีจิตก็ใยทันทีจิตก็ใยทันทีทนทมันใยดีอยู่แล้ว เ <K _ d _> ขาเรียกว่าไฟดีที่เป็นกุศลยิ่งไฟดีมากเท่าไรกุศลมันก็ยิ่งเกิดเนควยดีมากเท่าไรกุศลมันก็ยิ่งเกิดเนถ้าจิตนี้มีเป็นเสมือนกับผ้าผืนหนึ่งการปฏิบัติขัดเกลาของเราก็คือการซักพ่อผ้าผืนนี้นี่ การไวยดีคืออะไรการควยดีก็คือไอ้ไอที่ว่างๆโล่งๆที่มันขาวๆนั่นนะทำให้มันสะอาดไอ้มันเกลี้ยงเกลาทีนี้ไอ้การกาจัดความไม่ดีออกไปเนี่ยมันคืออะไร มันก็คือไอ้ที่มันเป็นจุดเล็กๆดำๆด่างๆเล็กๆเล็กๆที่มันเอาออกง่ายเอาออกไปก่อนเอาออกเยอะๆไอ้จุดด่างดำจุดเทาๆที่อยู่บนผืนผ้าผืนนั้นอ่ะอย่าเราออกเยอะมากเท่าไหร่มันก็จะเป็นไงมันก็ยิ่งสะอาดมากขึ้นเท่านั้น mm hmm. แล้วไอ้พวกเล็กๆนั่นแหละ มันกินพื้นที่เยอะพระพุทธเจ้าบอกว่าอากตังลุกตังสวยโยอันความชั่วร้ายไม่ทำเสียเลยดีกว่าไอเ้เล็กเล็กเล็กเล็ ก, ลกน้อยน้ยเนี่ยมันกินพื้นที่เยอะนะถ้าเราเปรียบความไม่ดีทั้งหลายเหมือนอย่างอุจจาระเนี่ยเห้องนนเนี้ยขนาดหกคูณหกเนี่ยอุจจาระตั้งอยู่ตรงนั้น นิดหนึ่งเท่าเท่ากับเปลือกหอยแครงนะนะบ่ตรงั้นหนึ่งตรงนี้หน่อยหนึ่งตรงนั้นหน่อยหนึ่งตรงนั้นหน่อยหนึ่งกองใหญ่อยู่ตรงโน้นกองใหญ่หน้าไหนตั้งอยู่มันกินพื้นที่แค่เล็กนิดเดียวนะแต่ไอ้เล็กเล็กเล็เล็ก็กเนี่ยตรงนี้นิดนิดนิดนิดิดนิดนิดมันกินทั้งห้องอะไอ้พวกเล็กๆเนี่ยเพราะฉนั้นพระสารีบุตรบอกว่าเอโกทัมโบพหูกาโร กุตเลสุทำเบสุอัปมาโดถ้าตั้งจิตให้ไม่ประมาทในความดีหมายถึงไม่ประมาทในความดีนะคือจิตตื่นขึ้นมามีแก่ใจสำหรับที่จะเข้าหาความดีทุกชนิดให้เป็นพื้นไว้ในขณะเดียวกันก็กำจัดความไม่ดีที่จิตสามารถรับรู้ได้ลองลองพิจารณาดูว่าไอ้ความไม่ดีที่มันเกิดขึ้นที่จิตของเรา ที่มันเกิดขึ้นจิตรู้ว่ามันไม่ดีและจิตรู้ด้วยว่าอะไรคือดีพอจิตรู้ว่าไม่ดีแต่ไม่เป็นไรเราทำไปก่อนไอไอไอการกระทาอย่างเงี้ยพอจิตรู้ว่าไม่ดีเนี่ยยั้งไว้มันจึงจะเป็นอุปการะต่อสติของเราพอจิตรู้ว่ามันไม่ดียั้งไว้พอจิตรู้ไม่ดียั้งไว้จิตรู้ไม่ดียั้งไว้พอจิตรู้ว่าดีทา จิตรู้วดีทาจิตรู้าดีทำทันทีจิตรู้ว่ดีทาทันทีอย่างเงี้ยจะเป็นอุปการะต่อสมาธิในระหว่างวันเป็นอุปการะต่อสติเป็นอุปการะต่อจิตของเราในระหว่างวั น, นมันต้องกล้าอย่า ง, ง น, นั้นนะแล้วเคยพูดเสมอทุกครั้งถ้ามีการปฏิบัติภาพแห่งจิตของคนปฏิบัต คืออะไรรู้เปล่าคือความกระตัญญูความกระตัญญูโดยเฉพาะกับผู้ที่มีอุปการะต่อตนพ่อแม่ครัวอาจารย์ปู่ย่าตายายเนี่ยความกระตัญญูคือภาพแรกที่จะมองการปฏิบัติ ไอ้คำพูดที่คนเขาก็มาดูหมิน่นคนข้าวัดก้ว่าโอ้แต่ก่อนอยู่บ้านดูแลพ่อแม่เดี๋ยวนี้พอข้าววัดปฏิบัติทำกลับมาถึงกับพ่อแม่มันก็ไม่เอาใจใส่เธอแล้วมันออกไปกมาเขียนเวียดนามนนมาดูแลพ่อแม่ไอ้คำพูดแบบนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะสาหรับคนที่มีธรรมะ mm hmm. เพราะจะเห็นคุณค่าคนมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาเนี่ยจะเห็นคุณค่าก่อนเราลองพิจนารณาดูว่าถ้าตอ น, นเนี้ยเนี่ยตอนนี้ ตอนนี้เรานั่งฟังทำอยู่ใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะตายอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะต้องตายแน่ๆอัตมาว่าเกือบหมดห้องที่จะลุกออกไปจากการขวางเทศเพราะถ้าเรารู้อย่างนั้นจริงเราจะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก ถ้าอีกหนึ่งชื่วโมงเราจะต้องตายแน่แน่ยมจะทำอะไร น, น, ไนเห็นไหมอย่างอื่นทิ้งหมดเลยอย่างอื่นทิ้งหมดอ่ะอย่างอื่นทิ้งหมดลูกนี่เจ้าไอ้ลูกนี่ที่กำลังจะรอรับอยู่สองสามแสนล้านเนี่ยมันทิ้งหมดอ่ะไม่เอาแต่เราจะมีโอกาสไหม จะมีโอกาสไหมล่ะที่จะรู้ว่าอีกสองเจ้าวงเราจะตายเนี่ยเราไม่มีโอกาสนั้นเพราะเรามันไม่ใช่สินค้าเซเว่นที่มันปิดไปยิงไว้สองมันทัดอะของเซเว e นมันยิงไว้นี่ผลิตวันที่เท่านี้หมดอายุวันที่เท่านี้แต่ของเรามันไม่มีมันมีแต่วันผลิตถ้ามีอะได้เลยแต่เรามันไม่มีเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติจาไว้ใหญ่ยยเขาดูถูก จงตื่นขึ้นมาไม่รู้จะตื่นกลับมาอะไรแล้วก็ตื่นขึ้นมากับความกตัญญูใครที่มีพ่อมีแม่ก็ตื่นขึ้นมากับความกตัญญูอย่าไปคิดเพียงแค่ว่าแค่โทรศัพท์ไปหาอย่าไปคิดแค่ว่าง่ายเงินใช้อย่าไปคิดเพียงแค่ว่าเจ็บป่วยไม่สบายพาไปหาหมออย่าไปคิดเพียงแค่นั้นต้องให้มันตื่นขึ้นมาจากหัวใจของเราให้รู้สึกให้ได้ว่าเขามีพระคุณต่อเราเหลือเกินให้รู้สึกให้ได้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ เป็นชีวิตเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นอะไรต่างๆที่เขาแบ่งออกมาเขาสร้างมันขึ้นมาด้วยความรักด้วยความทะนุถนอมปลูกปั้นขึ้นมาจนถึงเราเป็นอย่างนี้เราต้องรู้สึกให้ได้อย่างนี้การรู้สึกอย่างนี้หมายความว่าอะไรมันไม่มีอะไรจะเหน็ดเหนื่อยไอ้บ้านที่ว่ามีลูกหลายคนแล้วก็เกียงกันเกียงกันทำไมจะต้องเป็นช่านคนเดียวทาไมทางโน้นทาไมเงียทาไม พี่ทำไมคนโน้นโอ๊ยคนโน้นได้ไปตั้งเยอะสม บ, บัติได้ทำไมไม่ดูแลมั่งทำไมต้องปล่อยให้เป็นภาระของเราคนเดียวเงื่อนไขพวกนี้จำไม่เกิดเลยเมื่อเราปฏิบัติยิ่งสติสัพจญญะยิ่งจเจริญมากขึ้นเท่าไหรภาพของจิตภาพลักษณ์ของเราที่เป็นความกตัญญูจะปรากฏชัดและอิริโอตปะก็จะปรากฏชัดนี่คือเส้นทางแห่งอริยสัจเส้นทางที่จะเข้าไปสู่ความ จุดหมายอันสูงสุดคือเป้าหมายคือพระนิพพานจะต้องเป็นไปอย่างนี้มันจะขัดเราก็ไปเรืเ่อยเรื่อยเรือยเยเพราะจิตที่เป็นอกตัญญูมันเป็นจิตที่หยาบมากจิตอกตันญูนะเป็นจิตที่หยาบมากส่วนจิตที่กตันยูไม่ใช่จิตที่ละเอียดมากนะเป็นจิตที่ใหญ่มากมันจึงเห็นได้ชัดมันจึงเห็นได้ชัด มันจึงปรากฏชัดกับคนที่มีสติกับคนที่ขัดเกลาจิตใจเข้ามาในระดับหนึ่งและถ้าถ้าเขาไม่อยู่แล้วทำไงทีนี้เอานอกจากพ่อแม่แล้วครูบาอาจารย์นี่มันก็ต้องมองให้เห็นว่าเขามีคุณค่าต่อเราอย่างไรมีอุปการะต่อเราอย่างไร ความกตัญญูที่ละเอียดลึกลงไปกว่านั้นก็คือกตัญญูในส่วนที่ไม่ต้องกตา่าวีอ่ะแค่มีความกตัญญูก็คือรู้เห็นข้อดีสิ่งดีในบุคคลในผู้อื่นในสิ่งอื่นไม่กระตั้งตึกอาคารที่พระพุทธเจ้าสอนว่าคนรองเรือนนั้นหนึ่ง ที่ล้มเหลวหนึ่งไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้วสองไม่บูรณาพัสดุที่ก่้าคกล้าสําหรับคนที่มีความกตัญญูรับรองได้เลยข้อนี้ไม่มีปัญหาเพราะจะเห็นคุณค่าของเกงหาสถานจะเห็นคุณค่าของเสอจะเห็นคุณค่าของบ้านจะเห็นคุณค่าของเสื้อผ้าจะเห็นคุณค่าของพวกนี้หมดแล้วก็มีท่าทีและวิธีการจัดการที่ถูกต้องที่ถูกต้องต่อสิ่งนั้น น, นสิ่งนั้นนนไอ้คนกตัญญูไม่ได้เอียดลงไปอีก แต่มันจะตรงไปตรงนั้นไม่ได้หรอกถ้าภาพชัดของความกตัญญูใหญ่ที่สำหรับบุคคลที่มีอุปการะต่อเราเราไม่สามารถให้มันเกิดได้อย่างอื่นยากยากอันนี้คือเส้นทางของธรรมะที่มันจะค่อยๆมีบทบาทกับชีวิตของนักปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทุกคน จะต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้มากย่าละเลยย่าละเลยแต่โอกาสอนะถ้าใครที่อยู่กับพ่อกับแม่นะโอกาสที่มันจะกระทบกระทั่งโอกาสที่จะเป็นนน้นมีอารมณ์ใส่คันมันมีมากเพราะพ่ อ, พอแม่เราก็ไม่ใช่พระอริยะแกก็เป็นผูุ้ชนเหมือนกัน แต่เราต้องชัดเจนในเรื่องพวกนี้ข้อต่อไปของภาพของนักปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีสติสัมปชัญญะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแล้วผลที่เกิดขึ้นนะเอาภาพแรกก็คือความพอใภาพต่อมาก็คือการมองการมองเห็นความดีของคน การมองเห็นความดีของคนการมองเห็นข้อดีของคนการมองเห็นสิ่งดีๆของคนว่าอยู่ด้วยกันเอาคนที่ใกล้ตัวก่อนว่าอยู่ด้วยกันในบ้านหลังหนึ่งมีกี่ชีวิตไอ้คนที่เราไม่ค่อยชอบเขาเนี่ยเพราะเราไปเห็นข้อไม่ดีของเขาแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบตัติเราต้องสามารถมองเห็นคนนั้น เห็นข้อดีของคนคนนั้นได้อยู่ในรั้วเดียวกันอยู่ในบ้านเดียวกันในกำแพงเดียวกันเราต้องเห็นข้อดีของเขาไม่ได้คิดว่าทุกคนมีข้อดีไหมมีปะ่ะถ้าไม่เห็นข้อดีไม่มีวันที่จะรู้สึกดีต่อเขาได้แต่คนที่ปฏิบตัติมีสติสอนปัญญาที่แข็งแรงขึ้นมาเรื่อยๆ มันจะเห็นข้อดีของคนไปที่ทํางานมันก็เห็นข้อดีของเจ้านายไอ้ที่มันอับไปกันได้พอเราปฏิบัติสติเขาเราแข็งแรงขึ้นมาเรื่อยๆมันไม่ใช่ไปนั่งวันนั่งทําความเข้าใจเพื่อที่จะอภัยเขานะการนั่งทําความเข้าใจเพื่อที่จะอภัยให้เขาเนี่ยมันเป็นวิธีการปฏิบัติโดยทั่วไปแต่คนที่เจริญสติเมื่อสติแข็งแรงแล้วจิตที่จะหาเห็นข้อดีของผู้อื่นเนี่ย มันจะต้องเกิดขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่ในบ้านเนี่ยมีพ่อมีพี่น้อง3ามสี่คนเห็นหน้าคนนี้แล้วมันรู้สึกไม่ชอบเลยไม่มีความสุขเช้าขึ้นมาเห็นหน้าแล้วหงุดหงิดเงี้ยแสดงว่าเราจะต้องปรับปรุงแล้วปรับปรุงจิตของเราให้หาข้อดีของคนคนนั้นให้ได้ แล้วมองข้อไม่ดีเนี่ยพอมองมองไม่ดีเนี่ยมันเป็นไงเป็นทุกข์แต่พอมองเห็นข้อดีแล้วเป็นไงเป็นสุขยิ้มให้กันเนี่ยยิ้มให้กันยิ้มให้กันเพราะอะไรเพราะมันข้อดีไงพอไปเบือนหน้าหนีหน้าหูได้ยนินแต่ทำเป็นไม่มองเนี่ยมันเริ่มเริ่มเริ่ ม, เ, มเห็นเห็นข้อไม่ดีแล้ว อาจารย์พูดนานเกินไปแล้วเนี่ยเลยหันมองเหมือนข้อไม่ดีแล้วนี่พอถามไปเนี่ยิ้มยิ้มย้มอยู่เนี่ยนยังยังเห็นข้อดีอยู่พอเริ่มนะอะไรจะจบตีนี่เริ่มเห็นข้อไม่ดีเพราะฉะนั้นนี่ที่ผู้ได้ฟังเนี่ยไม่ใช่อะไรนะว่าเราอยากแค่ถึงเวลาแล้วก็ไปปฏิบัต เราต้องตรวจสอบชีวิตเราด้วยของจริงนั่นนะ่ะชีวิตที่เราอยู่ที่บ้านนั่นแหละคือสนามจริงมาที่นี่เป็นสนามซ้อมซ้อมเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสนามจริงมาที่นี่คือสนามซอม้อมเพื่อไปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสนามจริงและถ้ามันมองเห็นแต่ข้อไม่ดีอยู่เรื่อย เราไม่มีอย่างอื่นอะมีแต่ทุกที่เคยเล่าให้ฟังที่ว่าแม่ลูกอ่ะแม่มีลูกสาวสองคนเคยเล่าเลยจนะ้ะเล่าอีกทีก็ได้เว้ยแม่มีลูกสาวสองคนพอมีลูกสาวสองคนแสดงว่ามีลูกเขยกี่คนใช่ไหมเออมีลูกเขยสองคนพอมีลูกเขยสองคนก็ลูกเขยคนโตขายรองเท้าลูกเขยคนเล็กขายร่ม ไอแม่ก็เช้าขึ้นมาก็มีศาลาอยู่หลังหนึ่งอยู่ในบ้านลูกก็รําคาญแล้วก็เลยเดินมาเรืนน่องนั่งที่ศาลานั้นน่ะ น, นั่งนั่งนั่งนั่งพอฝนตกดูร้อง่ายแล้วรอง่ายแล้ ว, อลวพอแดดออกก็รอง่ายอีกแล้วพอฝนตกก็ร้อง่ายแดดออกก็ร้อง่ายเป็นประจำไม่มีวันไหนที่ไม่ร้อง่าย มีคุณตาคนหนึ่งหลวงตาไอ้คุณตาคนหนึ่งก็เดินผ่านทุกวันก็เห็นใหญ่คนนี้คนตกก็รอ้องแดดออกก็รอ้องมันจะมีอะไรที่สะเทือนใจถึงขนาดนั้นวะนเดินก้าไปถึงหาถามใยา่นี่คนตกร้องไห้ทําไมใหญ่เมื่อวันแดดออกใหญ่ก็รอ้องเอาคนวันนี้ตกฉันสงสารลูกเก๋ยคนโต <laughs> <laughs> อ๋อทําไมอ่ะ ลูกเคยคนโตไก่รองเท้ามันขายไม่ได้อืพอเดดออกร้องอีกร้องทำไมเดทเราสงสารลูกเคยคนเล็กไก่ <c oughs> คนเล็กไก่รมอพอเดทเอามันไก่ร้องไม่ออกโอ้ยกาแก่คนนี้แกบอกว่ายายผิดแล้วยายผิดถนาดเลยยายฝนตกยายต้องดีใจ อ๋อทำไมฉันต้องดีใจดีใจกับลูกเขยไอคนที่มันขายร่มไงยายแล้วพอเดทออกยายต้องดีใจทำไมอดีใจกับไอ้ลูกเขยที่มันขายรองเท้าเออแทนที่จะเป็นวันที่ร้องไห้ทุกวันใช่ไหมก็กลับกลายเป็นวันที่มีความสุขทุกวันเหมือนกันนะในชีวิตในครอบครัวของเราเนี่ยในคนเราคนหนึ่งมันมีเส้นใหญ่สําหรับที่จะเกี่ยวพันตัวคนเยอะแยะในฐานะที่แตกต่างกัน เราต้องเห็นข้อดีของเขาให้ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพระโสดาบันนะไปแต่งงานกับสามีที่เป็นนายพรานนักล่าสัตว์แต่ไม่ใช่เสือดำเป็นนักล่าสัตว์เป็นนายพรานเป็นอาชีพสำหรับที่นำสัตว์มาเป็นอาหารแค่นั้น ไม่ต้องทรมานไม่ต้องไปอะไรไปหลอกไปล่อแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์สวนอะไรเป็นอาชีพผู้หญิงคนนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเอาไอ้ไอ้ซ อ, องที่ใส่ลูกถนูมาทําความสะอาดเอาลูกธนูมาเช็ดเช็ดเช็ดช็เช็เช็ดทำความสะอา ด, อาลา ด, าดแล้วก็ข้าวครัวทํากับข้าวแล้วก็คดห่อให้สามีสามีพอได้เวลาเสร็จเอ ภรรยาก็เตะสามีตีเตวเสร็จภรรยาก็เอาเอ า, เอาข้าวห่อมาส่งให้ก็แขวนไว้ที่บ่าข้างขวาก็ส่งธนูให้ไปคล้องที่บ่าข้างซ้ายไอซองที่ใส่ลูกธนูก็ขึ้นสะพายไว้ที่บ่าจะ ก, การเรียบร้อยสามีก็ไปทํางานเอาได้ได้สัตว์มาหน่อยก็ต้องทําให้ตายก่อนเป็นที่รู้กันว่าภรรยาเธอจะไม่ พอมาถึงตามมาตั้งมือปับ๊บตั้งไว้ข้างหน้าบ้านก็เห็นว่าสัตว์มันตายแล้วพรรยาก็ไปทํากับข้าวทำพุงกับเข้าวเขาก็ว่าเออเป็นตึงประโถดาบันพระพุทธเจ้าหรือใครๆเขาก็ว่าหญิงคนนี้เป็นอริยะแต่ทําไมมาเลือกเอาสามีอย่างนั้นก็เธอไม่ได้คิดว่าสามีเธอเป็นนายพรานเลย แกไม่ได้คิดว่าสามีแกเป็นในพรานและแกไม่ได้ใช้สามีแกไป็ฆ่าใครแล้วบอกว่าเป็นโจรบัน้วจะทําอย่างนั้นได้หรือพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าตาความมือไม่มีแผลเนี่ยแม้ไปรูปคลำยาพิษยาพิษก็ไม่สามารถซึมเข้าไปเนื้อเนื้อได้ฉันใดบาปก็จะไม่มีแต่บุคคลผู้ไม่มีเจตนาทาฉันนั้นแกก็อยู่กับสามีของเกได้อย่างมีความสุข เพราะแกไม่ได้ไปมองว่าสามีแกเป็นคนจิตใจโหดเยี่ ย, ยมมันมังหิดมุง่งวลามุง่งหวังแต่จะล่าฆ่าสัตว์แต่แกมองในฐานะของความเป็นสามีและก็ททำหน้าที่ของความเป็นภรรยาภรรยาถ้าเรามองเห็นข้อดีสิ่งดีแล้วเราจะมองเห็นความจาเป็นอะไรที่เราจะต้องทำก่อนและหลังต่อคนคนนั้นอย่างถูกต้อง อันนี้พอพอไม่ดีทักนิดเดียวดีครบกันมากันเก้าปีสิบปีโอ้โหรวมทุกร่วมสุขมีประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายเข้ามาถึงใกล้อหายใจใส่หน่อยเดียวมันเหม็นปากแค่เหม็นปากคนเดียวตั้งแต่นั้นมาไม่เข้าใกล้เลยไอ <c oughs> ้เพื่อนกันเพื่อนกัน <c oughs> พวกที่เป็นเพื่อนกันนะออแค่ยกตัวอย่างให้เห็นน่ะว่าพอเห็นของไม่ดีนิดเดียวแฮวออีกเลย และจะมองเรื่องไม่ดีตลอดเลยทีนี้มันภาษารีบุตรบอกว่าเอกโกทัมโบพะหุกาโรกุสเลสุทัมเบสุอัปปมาโดทาอันเอกที่จะอุปการะคื อ, อยาประมาทในกุศลคือให้เปิดใจฝ่อยดีไว้มองให้เห็นสิ่งดีไว้ในตัวบุคคลต่างๆนี่มองให้เห็นสิ่งดีไว้วห เ, หไวเห็นข้อดีของเขาไว้ต้องกล้าพอที่จะ มองหาสิ่งดีๆในตัวคนอื่นและยอมรับมันนี่เป็นเส้นทางของคนที่ปฏิบัตินะเพราะนักปฏิบัติถ้าไม่ตั้งจิตอย่างนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นหรือวะเราจะสังเกตดูดิอารมณ์เราจะชัดขึ้นโกรธจะแรงขึ้นจริงๆมันเท่าเดิมอะแต่มันชัดขึ้นไม่ปฏิบัติไม่ไปเลยพอปฏิบัติไปแล้วรู้สึกว่า ไอ้ความความแบบโกรธความอะไรต่างๆมันแรงขึ้นเอ๊ะมันไม่ได้ผลหรือเปล่าเพราะอารมณ์มันชัดไงอารมณ์มันชัดแล้วก็ลืมตัวด้วยง่ายเราก็ต้องตั้งจิตไว้อย่างเงี้ยให้มันเปิดจิตไว้สำหรับที่จะฝ่ยดีมองหาพวดี ระว่างสามีภรรญาระหว่างพ่อแม่กับลูกระหว่างลูกกับพ่อกับแม่ระหว่างพี่กับน้องหาข้อดีให้หนนึะ่แล้วมันจะสนับสนุนและเกื้อต่อการปฏิบัติของเราหนึ่งกระตันยูสองไฟดีนะอีกเรื่องหนึ่งสําหรับคนที่ปฏิบัตินะโดยเฉพาะท่านที่ เกินเกินสิบครั้งแล้วนะต้องทำใจท่าทีของต้องมีใจต่อสังคมข้างนอกวันนี้ที่เน้นเน้นพูดแบบนี้นะเพราะว่าเราจะมาใช้สติอยู่กับอารมณ์ภายในอย่างเดียวไม่ได้เพราะเราจะอยู่ในในมนุษย์เนี่ยมันอยู่เป็นสังคมเราจะต้องมีสติต่อต่อสังคมด้วย ไอ้ที่พูดเนี่ยทั้งหมดนี่เป็นสติต่อสังคมนะภาพของกัตัญญูไฟดีอันที่สามสุดท้ายของวันนี้ที่จะฝากของการเป็นผู้นักปฏิบัติก็คือการเคารพทำใจให้มันเกิดความเคารมให้เป็นใจที่จะคารมให้เป็นมันก็อย่างนี้มันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้และแบบนี้ คารพบไม่เป็นเนี่ยตัวเราเนี่ยนะเอาแบบนี้นะมันหนึ่งสองสามไอ้ขึ้นอย่างนี้คืออะไรยกย่องบูชาเป็นแบบนี้อะไรคารพบให้เกียรติลงอย่างนี้คืออะไรเมตตาอารีกรัุนา ล้วก็ต้องดูท่าทีของเรานะถ้าว่าในบ้านเนี่ยเราเป็นเราเป็นคนแบบไหนที่เขาเหนือกว่าเราทั้งวยยาวุธคุณวุฒิเราต้องยกย่องเคารพนับถือบูชาครับส่วนคนที่เสบเริกันเนี่ยเคารพด้วยวิธีการให้เกียรติจริงใจส่วนคนที่เขาต่ำกว่าเราด้วยวัยวุธก็าตามด้วยอะไรก็าตาม เราต้องเบตาอารีการุณาเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่นี่เรียกว่าจิตที่มีสติมันจะทำให้อะไรรู้เปล่ามันจะทำให้การขับเคลื่อนชีวิตในแต่ละวันเนี่ยสะอาดสะอาด พอเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาสี่มาห้าโอเคสามพอหนึ่งภาพของความกตัญญูสองไยดีสามคารพให้เป็นนี่เป็นภาพของนักปฏิบัตินะเรายิ่งปฏิบัติเราสามเรื่องนี้ต้องชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆถ้าทีต้องมีทรงผมแล้วก็เราดูดิ ตั้งแต่เมื่อเช้าที่ตมาบอกไม่มีอะไรที่ภาวนาแล้วไม่ได้มีตรงไหนมั่งที่จะไม่ได้เนี่ยไม่มีอะไรที่ภาวนาอย่างถูกวิธีแล้วที่จะไม่ประสบความสำเร็จไม่มีได้หมดจะใครเถียงก็เถียงได้นะอย่ามาเถียงตอนนี้ตมาพูดจบ เมื่อกี้เราเดินเสร็จแล้วเราก็มาควังทำภาคบ่ายตอนนี้เราก็จะนั่งสมาธิกันเมื่ อ, อยังเอานะพัก10นาทีอร้พอมแล้วเข้าสมาธิตามลำดับ ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ายกจิตเข้าสู่ฐานที่ตั้งแห่งจิตรู้หายใจเข้าให้สุดแล้วก็เริ่มรู้ลมหายใจที่ไหลออกคำว่าเริ่มรู้ลมหายใจที่ไหลออกก็คือการยกจิตเข้ามารู้ลมหายใจให้มีลมหายใจเป็นเครื่องระลึก จิตจะไม่ไประลึกอย่างอื่นด้วยความตั้งใจของเรายกเว้นแต่เขาจะไหลหลุดออกไประลึกเองตามธรรมชาติที่เรียกว่าการคิดแต่ความตั้งใจของเราคือยกจิตนี้เข้าไปรู้ระลึกอยู่กับลมหายใจที่เริ่มต้นจากการรู้ลมหายใจที่ไหลออกก่อน <c oughs> ด้วยการหายใจเข้าให้สุด จะตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกจะปล่อยลมหายใจไหลออกมาพร้อมจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจไหลออกนั้นจนสุดแล้วก็เริ่มรู้ลมหายใจเข้าคำว่าตั้งใจรู้ลมหายใจหมายความว่าจิตเราโดยปกติเราตั้งใจที่จะไประลึกคิดรู้เรื่องอื่นเยอะแยะมากมาย แต่ตอนนี้เราตั้งใจมารู้ลมหายใจของเราจากตั้งใจรู้ก็ให้เหลือเพียงแค่รู้รู้ที่กระทบที่ลมไหลออกลมไหลเข้าลมไหลออกลมไหลเข้า ลมที่ไหลออกกระทบส่วนนั้นเรารู้สึกได้ตรงนั้นลมไหลออเข้ากระทบตัว น, นั้นเรารู้สึกได้ตรงนั้นความรู้สึกมีตั้งการกระทบมีทั้งความเย็นหายใจออกรู้ <c oughs> หายใจเข้ารู้ ยกจิตมารู้ที่ความมือข้างขวาขยับปลายนิ้วมือขวาแล้วค่อยๆยกจิตยกมือเลื่อนไปด้วยจิตรู้สึกวางขวามือขวาไว้ที่กอลข้างขวาแลยย้วกยับปลายนิ้วมือซ้ายแล้วก็เคลื่อนมือซ้ายไปวางไว้ที่เข่าซ้ายด้วยจิตรู้สึกยกจิตมาไว้ที่ใบหน้ารู้เฉพาะหน้าอยู่ หผหน้าขึ้นมานิดหนึ่งแล้วลืมตาออกจากสมาธิก็ได้เวลาอนตรมกลืนคนนี้ก็อนุโบทนานี่ก็ เฉพาะนั่งสมาธิอย่างเดียวนี่วันนี้หลับมั่งไม่หลับมั่งนะได้ไปรวบสองชั่วโมงอย่างพัทอะลิตเนี่ยเราสอนทราบว่าบทไหนให้อ น, นิสงอะไรแต่ว่ามันมีอยู่บทหนึ่งมหาสมัยสูตรครับมันมีอนินสงอะไรครับท่านือสวดมหาสมัยสูตร เป็นประสูตรที่พระพุทธเจ้าประกาศซึ่งทวยเทพเทวาทั้งหมดที่มีอยู่เป็นประสูตรที่รองรับเราก็สวดไปนะก็ได้หลายอย่างนะถ้าพูดถึงเรื่องอานิสงส์อันนี้ไม่มีในหนังสือในหนังสือการสาธยายประสูตรก็คือสาธยายคําสวนของพระพุทธเจ้าแหละแต่ว่า นี่ครูอาจารย์บางท่านท่านเคยบอกว่ามหมาสมัยสูตรเนี่ยสวดแล้วบรรดาเราสาเทวเทพธิวเทพเทวา ท, ท, ท, ทั้งหมดทุกชั้นจะร่วมกันสาธุ ก, การแค่นี้พอไหมพอไหม ไอ้ที่ว่าชุติมันโตชุติมันโตหลายบมวนอย่างนั้นนะ่ะเพื่อว่านั่นนะ่ะมีหมดมีหมดอสุรินทราหูพระจันทร์พระอาทิตย์แต่ไม่เหมือนรามเกียรตินะไม่เหมือนในรามเกียรตินะเป็นพระสงฆ์ ท, ที่มีการประชุมในหมู่เทพเยอะมากมีเยอะจริงๆ สวดไปเหอะจะได้เป็นอุปนิสัยมหาสติปัฏฐานนะสวดก็ไปมหาสติปัฏฐานใหญ่อะ่ะสวนดไหมสวดสักสามวันถ้าเราสวดทุกวันมหาสติปัฏฐานแต่วดสามวันยัพอดีผมยาวมากมหาสติสวดก็สิบหแต่น้อยกว่ามหาสติปัฏฐาน มาสติปัฏฐานยาวมากแล้วก็เวลาเราอ่านเนี่ยถ้าเราอ่านใหม่ๆเราจะเบื่อเพราะคามันซ้ําแต่ให้รู้ไว้เถอะทําไมถึงซ้ํเาเดี๋ยวๆนี่จะ เ, เ, เ, เ, เ, เลยห้าโมงทำไมคํามันซ้ํำแล้เราอ่านหนังสือพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสแต่และข้อแต่และข้อทําไมมันถึงซ้ํารือเล่าเพราะย้าเน้นให้เห็นว่า ไม่ห่างจากรูปกายนี้ขันนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้รูปนามอันนี้ยามันมันชัดเจนชัดเจนแล้วกจิตไหลออกไปหลุดออกไปเทจะไปจัดการอย่างอื่นนอกเหนือจากขันหานี้ผิดทาง นั่นถึกซ้ำแล้วซ้ําอีกซ้ำแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเดี๋ยวนี้เวลาคนอ่านในพวกหัวสมัยใหม่พวกหัวคิดมันก็จะสรุปหมดเลยของพระพุทธเจ้าสรุปย่อย่อย่อย่อย่อย่อย่อย่อไม่ได้หรอกนะถ้าเราเราต้องคิดถึงคําว่าคมวิจัยยะเวลาสมาธิมันได้ระดับแล้วสมาธิมันแข็งแรงแล้ว เวลามันไปทามัณสิการต่อกายต่อใจต่อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละตัวแต่ละตัวต่อ จ, จิตแต่ละดวงเนี่ยต่อความคิดที่เกิดขึ้นมันเกิดธรรมวิจยะมันพิจารณามันซ้ำเล่วซ้ำอีกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพิจารณาซ้ำเล่วซ้ำอีกพิจารณาซ้ำเล่วซ้ำอีกเราสวดซ้ำเล่วซ้ำอีกเราก็พิจารณาไปตามที่เราสวด ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมันจะได้เหมือนกันทุกตัวทุกตัวทุกตัวในที่สุดก็เหลือแค่การเกิดและการดับเป็นการเกิดการดับเหมือนกันทุกตัวจิตชัดเจนชัดเจนมันก็จะเป็นองค์คุณที่จะส่งผลต่อไปกันเป็นลาดับลําดับเพราะมันเผลอไม่ได้นพลาดไม่ได้เผลอขึ้นมาก็โมหะครอบกันทีเผลอเมงามโมเผลอขึ้นมาโมหะมันก็ครอบกันทีมันจ้องอยู่แล้วเหมือนกัน โดยเฉพาะพวกที่มันจะหลุดพ้นจะหลุดพ้นเนี่ยพอสมาธิดีๆสมาธิเริ่มจิตเริ่มจะตั้งมันเนี่ยก็เอาเหมือนกันเป็นตะข่ายเยอะแยะไปหมดสวดก็ไปดีนะโยมสวดมาทำไมนะอัุนั้นาเผื่อบ้างเนะนื้อสวดมนเนี่ยเขาเรียกเป็นยาทา ภาวนาเป็นยากินที่เคยได้ยินไหมภาวนาด้วยสวดมนต์ด้วยต้องสวดเนี่ยบวชบวชท่านๆไอ้นี่เวลาจะสวดมนต์นักทีนุ่นนอนบ น, น, นเตียงทำอะไรไม่ได้แล้วโอยตาก็มองเห็นให้คนอื่นเปิดเทพให้ฟังพอถึงว่าเอาหูไม่ได้ยิน ท, ทําไงดีเนี่ยสวดตั้งแต่ตอนนี้แหละไอ้มันเป็นนิ ส, สัยสวดไปเถอะ พระพุทธเจ้าเรียกว่าวิมุตติยายตนะหมายความว่าเป็นทางเชื่อมต่อกับวิมุตตยยิการตรวเนี่ยการสาธยายเนี่ยการสวดมนสาธยามมันมี5อย่างสวดอันนีนะควังเทศสวดธรรมนุสิการแลวก็ทาสมาธิภาวนาหอย่างนี้เป็นทางเชื่อมสู่วิมุตติทั้งนั้น เพราะเมื่อทําไปแล้วมันเกิดความปราโมทพอเกิดความปราโมทก็มันก็เป็นปิติพอปิติสง บ, บมันเกิดปัสสัตติคือกายไม่หวันไหวเกิดความสุขขึ้นมาเป็นอุเบกขาจิตตั้งมั่นนั่นทีเลยพอตั้งมั่นเสร็จแล้วจิตตั้งมั่นก็คือสมาสมาธิเกิดขึ้นมาเกิดอะไรเป็นลําดับลําดับลำดั บ, ดบจําไว้ทีนี้เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาสมาธิแล้วก็จะเกิด ญาณทัศนะเมื่อเกิดญาณทัศนะจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามมันก็จะเกิดนิพิทาเมื่อนิพิทาเกิดก็จะเกิดวิราคะวิราคะเกิดแล้วจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็เกิดวิมุติเมื่อวิมุติเกิดแล้วก็เกิดวิมุติญาทัศนะถึงตอนนั้นขี้นาชาติจบนั่นจำไว้พอได้ยินคำว่าตั้งมั่นตั้งมั่นนะเนี่ยเปิดสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วมันก็จะเกิดญาณทัศนะ ญ า, าณทัศนะเกิดนิพพิทานิพพิทาเกิดก็จะเกิดวิราคะวิราคะเกิดก็จะเกิดวิมุตติวิมุตติวิมุตแล้วก็วิมุตติญาณทัศนะจำไว้เอาอีกทีเมื่อจิตตั้งมั่นเกิดญาณทัศนะญาณทัศน ะ, ะเกิดนิพพิทาวิราคะวิมุตติ วิมติยานัทสนะจำให้แม่นเลยอันนี้เรียกว่าคันลองของธรรมพระเจ้าตรัสว่าวิมติยานัทสนะคือทางเชื่อมสู่วิมต้าส่วนนี้ดังควังควังเนี่ยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนั่งควังสองเทศ <c oughs> เทศเองพูดเนี่ยพูดพูดในคนอื่นควังเนี่ยพูดไปพูดมาแล้วมันเกิด ความปราโมดสิ่งที่จะเกิดคือความประโมดเกิดก่อนนะเมื่อความปราโมดจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็จะเกิดปิติพอปิติเกิดอิ่มอย่างนั้นมันจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันจะเกิดปัจสถานิกายจะนิ่งสงบไม่หวั่นไหวพอปัจสถานิเกิดมันจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เกิดความสุขนขณะนั้นสุขที่เกิดนขณะนั้นตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็จะเป็นอุเบกขาและก็เป็นสมาธิจิตจะเข้าสู่ความตั้งมั่น เมื่อจิตเข้าสู่ความตั้งมั่นตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็จะเป็นก็เกิดญาณทัศนะยาทัศนะเกิดแล้วตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็จะเกิดนิพิธานิพิธาเกิดแล้วตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็จะเกิดวิราคะวิรากาเกิดแล้วตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็จะเกิดวีมุตวีมุตเกิดแล้วตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็จะเกิดวีมุติยานัศนะขีณาชาติอ๋อว่าไหมดิขีณาชาติแปลว่าชาติสิ้นแล้ว เออไอ้นั่นก็เรียกว่าวุสิตังพระมจริยังพระมจันย์อยู่จบแล้วการตังกรณียังกิจอื่นที่จะทำกิจควรทำทำเสร็จแล้วตั้งใจนะ ยะทาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวะเบวอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจจิตังปาติตังตุมหังคิปะเบวัสมิชัตุสัเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะทามณิโชติราโสยะทาสัพพิตโยวิวัชชนุ สัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีที่คายุโคภ ว, วะอภิวาธนาศิริสานิจังวุทธาปจายิโดจตาโรโอธรรมาวัตันตีอายุวันโดสุขังพลังเตอัตลัฐธสุขีตาวิรุณหพุทธสาสะทเนอโรคาสุขิตาโหทะสหาสัพเพหียติภิสัพพุทธานุภาเวนะ สัพพะธรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทโธทีพวันตุเต